ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เร่องพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องพุทธการกัรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพุท ธ, ธะหรือเรียกว่าบารมีคำว่าบารมีนั้นแปลว่าการเก็บการสะสมความดีซึ่งก็ตรงกันข้ามกับอาสวะ ที่แปลว่าการเก็บการสะสมความชัว่วแต่ว่าบา ร, รมีนั้นมีลักษณะบำบัดหรือขจัดหรือทําลายหรือขัดเกลาก็หมายความว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะขจัดสิ่งที่ทรงในข้ามกับตนซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือขจัดพวกโลภะโทสะโมหะนั่นเองปอัญทานบา ร, รมีซึ่งเป็นข้อแรก ในการเรียงบารมีนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ควรจะไปติดใจว่าต้องเรียงฐานขึ้นต้นเสมอไปเพราะว่าเวลาเรียงทศชาติคือพระเจ้าสิบชาตินั้นเราจะเห็นว่าเอาเนกขมะบารมีไว้ข้างหน้าเอาทานบารมีในสมัยเป็นพระเวสสันดรนั้นวางไว้ข้างหลังแต่ว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยจะเอาข้อไหนวางไว้ก่อนไว้หลังก็ได้ไม่ได้แปลอะไร เพราะว่าเมื่อเรามองตัวเนื้อหาสาระของบารมีเราจะเห็นว่ามันมีบารมีหลักอยู่สี่ข้อแล้วก็มีอุปการะบารมีอยู่หกข้อรวมแล้วก็เป็นสิบข้อบารมีหลักคือตัวที่ทนะําหน้าที่กระจัดโลภะโทสะโมหะโดยตรงก็คือทานศีลในกรมะแล้วก็ปัญญาตอนในคำว่าทานซึ่งเป็นภาษาที่ เราคุ้นๆแต่ก็แปลกเราจะเจอคําถามในเรื่องทานในเยอะแล้วเป็นจึงตั้งใจไว้ว่าจะนําเรื่องทานซึ่งปรากฏในบาลีประเทศต่างๆมันเสนอแด่ท่านผู้ฟังไปตามลําดับในประเด็นแรกก็ควรจะจับประเด็นว่าทานนั้นคืออะไรทานนั้นบางครั้งเนี่ย โดยเนื้อหาจริงๆก็คือเจตนาเป็นเหตุให้ให้หรือว่าเจตนาเป็นเครื่องให้หมายความมาเกิดความจงใจแล้วก็เจตนาแล้วก็ให้ออกไปเราก็เรียกว่าเจตนาเป็นเครื่องให้แต่ว่าสิ่งที่ให้นั้นมันสืบเนื่องจากเจตนามันก็อาจจะออกมาในรูปของวัตถุการให้อภัยการให้ธรรมะแล้วก็เป็นรายละเอียด แต่ที่สาคัญถ้าเรามองดูให้ดีเราจะเห็นว่าบารมีทุกข้อมันทำหนะ้าที่ขจัดโลภะโทสะโมวะด้วยกันเพียงแต่ว่าขาจัดอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวรองนั้นเองในความเป็นทานนั้นเมื่อเรามองเป็นองรวมก็จะเห็นว่ามันจะต้องเกิดเจตนาคือเป็นเหตุให้ และเจตนาเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยปัญญาคือมองเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็ไม่มองเห็นโทษของการไม่ให้ในขณะเดียวกันก็มีวัตถุสมํมัครให้เพราะตัววัตถุเราเองต้องไม่หวงต้องไม่สนีต้องไม่โลภให้เราสังเกตดูจิตนะฮะถ้าเราสนีเราหวงเราโลภเนี่ยเราให้ไม่ได้แล้วก็ผู้รับผู้รับเราต้องมีความรู้สึกดีต่อเขา าเราเกลียดเราโกรธเรารังเกียดเราไม่ให้แม้เรามีวัตถุสิ่งของจะให้เนี่ยเราก็ไม่ให้ก็แสดงว่าในตัวคนเนี่ยเราต้องขจับโทสัตว์ได้ส่วนความรู้สึกอาจจะเป็นรักอาจจะเป็นเมตตากรุณาเขารบนับถือพักดีศรัทธาเมตตาอะไรก็ได้นะะแต่ความรู้สึกดีแล้วก็จะให้ได้ในตัววัตถุเราต้องไม่โลภ แล้วก็เจตนานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญามากน้อยก็เป็นรายละเอียดนะฮะ่เาจาเห็นว่าบางครั้งบางครั้งบางครั้งบางคราวท่านก็พิจารณาแบบง่ายๆว่าเช่นเราตั้งรับประทานอาหารอยู่แล้วก็มีคนหิวโหยมามากมาขอหรือไม่ขอก็อตามเกเกิดสงสารขึ้นมาเราก็แบ่งให้เขารับประทาน นั่นก็แสดงว่าทานตรงนี้มันเกิดขึ้นจากความการุณาแล้วปัญญาก็พิจารณาเองว่าเรานั่งดื่มนั่งกินในขณะที่เพื่อนหิวมันไม่ได้ความสุขมันอึดอัดไม่สบายใจเราก็ให้ก็คิดง่ายๆวันเดกาสีะระปเตสุ ข, ขังการบริโภคคนเดียวไม่ได้สุข ก็มีการสละมีการแบ่งปันในการให้ต่อบคุคคลอื่นนื่อจะกานมันเป็นฐานของสังคมเราเด็นว่าสังคมนั้นมันเริ่มจากฐานเริ่มจากการให้ชีวิตของเรานี่เกิดมาจากการเสียสละของพ่อแม่แล้วก็การเลี้ยงดูจนกว่าเราจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาก็าสสยการให้ของพ่อแม่ เราก็เป็นผู้รับมาเรื่อยๆแต่ว่าพ่อแม่เองก็เกิดขึ้นจากให้ของปูญาติยายปู้ญาติยายเองก็เกิดขึ้นจากการให้ของผู้โทษยาติโทษยายวทษตาทวษนะกวากันไปเรื่อยๆก็แสดงว่าโลกนี่มันหล่อเลี้ยงกันโดยการให้การดับคานึงเดียวก็ลมหายใจเข้าออกเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของเราไว้ที่เรียกว่ากายสังขาร หาใจออกเป็นให้หาใจเข้าเป็นได้หาใจเข้าเป็นรับนะหาใจออกเป็นเสียก็มีการให้การรับอยู่ตลอดวันแนวของทานมันจึงออกมาในรูปของการแสดงความมีน้ำใจก็เรียกว่า o เอบอเ้อมอรเพื่อเพื่อแพ่กันอีพันหนึ่งไม่ได้ขาดแคลนหรอกแต่ว่าเราแสดงความมีน้ำใจรู้สึกว่ากินคนเดียวไม่ได้สุข ถึงความคิดเอเชียแต่ว่าความคิดทางยุโรปอเมริกานั้นเราจะเห็นว่าส่วนมากเขาจะใช้แชร์กันต่างคนแต่ก็มีสตางค์แล้วกเ็เป็นเพื่อนรักเพื่อนใครกันแต่ว่ากินข้าวด้วยการก็แชร์กันพอถามราคาแล้วพอจํานวนคนมาหารก็ได้เท่าไหร่ก็แชร์กันอาจจะปลอดโปรนก็ได้นะครับ แต่ก็เราจะมีความรู้สึกที่ได้เป็นกันเลี้ยงแล้วก็วันหลังเพื่อนกันเลี้ยงนะฮะก็เปลี่ยนกันเลี้ยงแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวอนุเคราะห์หรือแสดงความมีน้ำใจต่อกันถูกสร้างสัมพันธ์พิจิตตจิตมิติตใจตามโครงสร้างที่จำทรงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะยุค สุภาษิตประร่วงนี่คืปลูกม่ตรีไม่รู้รางสร้างกุศลไม่รู้รวยเราก็เพิ่มภูมิกุศลแต่กับคนเราก็ปลูกไม่ตรีก็ทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีสถานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการอกปการหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งนี่ลาบากยากเขียนเปิดร้อนประสบความทุกข์ทรมานต่าง เราเกิดสงสารเขาเกิดเมตตาส่วนใหญ่ก็สงสารนะนะจนกลายเป็นแรงผลักดันที่ให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาก็ช่วยกันตามที่ช่วยได้ก็ไม่ช่ช่วยกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็เราไม่ใช่แบบประโพธิศัตนะ์แต่เราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยและแนวหนึ่งมันเป็นแนวที่เราเคารพศรัทธาเทิดทูน อาจจะเกิดจากการจงรักภักดีอาจจะเกิดจากศรัทธาจะเกิดจำความจากความเคารพจากความนับถือต้องการสักการบูชาและเรามีสุขที่ได้ทำอย่างนั้นแล้วตามปกติแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะรับผลตอบแทนเลยจากท่านเพราะเราเพรเรารับจากท่านมาเยอะแล้วนะฮะเราส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่สถาบันครอบครัวคือพ่อแม่ไปพ่อแม่จึงได้รับการ เรียกขานว่าเป็นมิตรภายในเรือนบ้างเป็นบุรพาจารย์บ้างเป็นประหารของโลกบ้างนะฮะเป็นบุปการีบ้างเป็นบุรพาจารย์บ้า ง, าาางก็เรียกเยอะนะฮะก็สรุปว่าเราได้รับอุปกราระคุณจากท่านแล้วก็เกิดสมึกขึ้นต้องการจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวชีหรือสักการ บ, บูชาความรีงามของท่านเราก็ให้เราก็บูชาท่าน ไอ้ผลที่มันหวังมันค้นไปทางที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลจึงหมายความว่าเราปรารถนาบุญกุศลอยู่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปการให้พระบูชาเช่นการบริจาคทานธนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่วไหแก่พระสงฆ์มันก็มุ่งไปในแนวของบุญญาณิธิคือคุ้มทรั์คือบุญอยู่ด้วย จะสรุปว่าจะแนวไหไหนก็ตามมันจะออกมาในสามแนวตรงเนี้ยก็สรุปว่าเรามีปัญญาเห็นคุณค่าของการให้เห็นโทษของการไม่ให้แต่ก็ในวัตถุสิ่งของนั้นเราไม่หัวไม่สนี่ไม่โลกแล้วในคนนั้นเรามีความรู้สึกดีส่วนจะรักจะเมตตาจะกรุณาจะสงสารจะเคารพนับถือศรัทธาบูชาสักการะก็แล้วแต่ คือ ย, ยิ่งยิ่งรู้สึกสูงเนี่ยยิ่งเสียสลัสูงคือถ้าเราดูข่าวในพระราชสำนักในแต่ละวันเนี่ยนะในคนถวายเงินในต่อสถาบันประมากษั์วันนึงเยอะนะฮะแต่เขาภูมิใจสุขใจที่ได้กระทำเช่นนั้นแต่ว่าข่าวที่ไม่เป็นข่าวคือบริจาคที่มีเป็นข่าวได้แก่ถวายวัดต่างๆ ก็จำนวนมหาศาลเหมือนกันแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นข่าวและมันเกิดจากความจงรักภักดีความเคารพความศรัทธาแล้วก็ต้องการเทริดทูนรู้สึกดีติประโมทที่ไดกระทำสถาบันสงฆ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นองค์กรศา ส, สนาพวกนี้มันเปรู้สถาบันตลอดต้องการทนุกบำรุงประเทศชาติ เราสังเกตกิจกรรมของท่านอาจารย์บัวที่ท่านทำเนี่ยเราก็รู้ข่าวแล้วก็ทึ่งนะเพราะเพาประชาชนนั้นมันอาศัยสถาบันสองสถาบันคือสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาอาจารย์บัวก็ทําในนามสถาบันศาสนาแต่ว่าทําเพื่อสถาบันชาติประชาชนก็คือประสบนิก่อนในแผ่นดินราษฎรของประเทศ มันก็สำนึกคุณทั้งชาติแล้วก็ทั้งศาสนาแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะว่าที่ทําไปก็จะนอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจที่ได้มีบทบาททุ่ยเหรชาติบ้านเมืองในยามวิกฤตก็ทํำกำลังความสามาบมันก็ไปเอาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ วันแนทานที่ทรงจะแมกแสดงไว้ในที่ต่างๆนะเราจะเห็นว่าประการแรกที่เรามักพูดกันคือเรียกว่าอามิสถานอามิสถานนั้นมก็ออกมาในสองแนวนะแนวหนึ่งก็คือการให้เจาะจงบุคคลที่เรียกว่าปาติปุกเลิกาทานแนวหนึ่งก็เป็นให้แกหมู่คณะ เราเรียกว่าสังฆทานของที่ให้นั้นเน้นไปที่วัตถุสิ่งของต่างๆพูดง่ายๆว่าของบริโภคอุปโภคบริโภคกันนะปวกเจตุปัจจัยทั้งหลายแล้วก็มีการอธิบายเห็นว่าการให้เจาะจงเป็นส่วนบุคคล น, นั้น มันอาศัยการบุปพานไปการส่วนตัวค่อนข้างสูงความคิดในเชิงสถาบันเนี่ยยังไม่มากแต่การให้ในรูปพระสงฆ์นั้นเราจะไม่ยึดติดในตัวของบุคคลพระสงฆ์ที่สงส่งมาเราอาจจะไม่รู้จักแต่เราก็เกิดสถาที่จะให้่างนี้เขาเรียกว่าสังฆทานคือให้แกสงฆ์ที่เป็นองค์รวมแล้วท่านอาจจะส่งพระเนรมาพระมาสักสามสี่รูปหนึ่งมารับแทนสง ถ้าเหล่านั้นรับไปแล้วก็ต้องเอาไปแจกจ่ายให้เป็นของส่งเขาเรียกว่าสังฆทานเพราะเราเห็นว่าใจนั้นมัน ม, มองเป็นองค์รวมคือมองเป็นสถาบันบุคคลนั่นแหละแต่เ่ามองเป็นองค์รวมมองเป็นสถาบันแม้ไปยึดจิตในคนใดคนหนึ่งเรื่องหน้าความรักและความชังในขณะเดียวกันของที่ให้เจตนามันค่อนข้างเป็นสากลสูง พราะเราไม่รู้จักกับเป็นการส่วนตัวโดวยเฉพาะเพราะปัญญาที่พิจารณาก็มองเห็นเป็นระบบเป็นกระบวนการของทานแล้วก็ให้ออกไปก็มีอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการให้ดีมากพระเจ้าทรงจำแน่แสดงฐานประเทศเหล่านี้ไว้ตั้งสิบสี่ระดับนะะโอกาสหนึ่งก็อาจจะเล่าให้ฟังซึ่งก็หมายความว่า ทั้งหมดมันเกิดขึ้นโดยกุศลแเจตนาเพียงแต่ว่ากุศลเจตนานั้นมากหรือน้อยแค่นั้นเองอีกประการหนึ่งธรรมทานเมื่อท่านเกาะกลุมอย่างนี้มันก็ต้องแยกก็เป็นสองประเภทเหมือนกันนะครหมายความว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการให้อภัยที่ เ, เรียกวิเดวให้อภัยทานมีใครก้าวร้าวล่วงเกินสประมาาดูถูกดูหมิ่นเรา ตามปกติอาจจะโกรธไม่พอใจแต่ว่าโดยจิตใจที่มีพื้นฐานมองคนในแง่ดีเราก็อภัยเขาหรือไม่ถือสาความเราอีกระดับหนึ่งมันเกิดจิตคิดอนุเคราะห์เขาสงสารเขาหวังดีต่อเขาก็คือให้ความรู้ให้หลักการให้วิชาการาต่างๆโดยจิตคิดอนุเคราะห์ตัวนี้ก็เรียกว่าธรรมฐาน บรราทานเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะนองกลับไปที่กิเลสกับธรรมะคือกิเลสสามกลุ่มสามกองเนี่ยโลภะนี่มันมีโทษโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าโทสะนันมีโทษมากแต่ว่าคลายได้เร็วโลหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วย พันกุศลและเจตนาอะไรก็ตามนะที่มันขจัดโมหะได้ไอ้ตัวบุญตักุศลที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็ถือว่าพอพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าสัมาดาแังธรรมดาดังชินาติการให้ทำชนะการให้ทั้งปวงแต่ว่าต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนานะฮะไม่ใช่ขายทำ บางครา้บางคราวก็น่ารังเกียจก็น่าอึดอัดเช่นว่าไปเทศในที่บางแห่งยาโยมมาถือบาตร่อนเลยนะฮะเรื่อยไรปุะชากันเทศเราก็เขินนะรู้สึกอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเรามาขายทำไมเป็นการกระทําที่น่าเกลียดแล้วก็ชาวบ้านเองไม่รู้สึกแต่พระนั่นก็เสียความรู้สึกนะ ก็เรียกว่าสมรรถภาพในการอนธะิบายธรรมมันสุดเลยเราเห็นในใจมันเกิดฟอห่อเขียวมันเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับเรามาขายธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเป็นราชทูตนำราชสารของพระพุทธเจ้าไปเผยแปรให้ประชาชนได้รับทราบเข้าใจวันธรรมทานท่านหนึ่งจัดว่าเป็นยอดแต่ว่าต้องอาศัยกุศลเจตนาดังกล่าวนะฮะ ไม่ใช่ทำงานในลักษณะของหมูไปไก่มาแต่ว่าทำงานด้วยจิตสานึกว่าสิ่งนี้เป็นความดีแล้วเราก็ทำเพราะลักษณะของทานทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่ามันนุ่อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและเอื้อความสุขต่อคนอื่นความสุขของเราก็คือที่เกิดขึ้นจากการได้ทำบุญ เพราะว่าบุญนั่นก็เป็นตัวความสุขอมิสทานการให้วัตถุสิ่งของก็ดีอภัยทานการให้อภัยก็ดีธรรมทานการให้ธรรมะก็ดีด้า น, นมันเอื้อประโยชน์สุขแก่ผู้รับแต่เราเองก็มีสุขในฐานะที่เป็นผู้ให้เราดูตัวอย่างง่ายๆว่ามันมีข่าวคราวลูกศิษย์ลูกหาเรา มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างๆเราก็จะเกิดความชื่นชมยินดีแล้วเกิดมุทิตาเกิดปิติประโมทแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปแสดงอะไรนะเป็นความรู้สึกภายในใจของเรานี่ก็แสดงว่าเราก็สวยผลบุญมันเป็นปิติมันปึงประโมท แล้วบุญเหล่านี้มันก็ไปกื้กูลเราในโอกาสต่อไปโอกาสต่อต่อไปแล้วตลอดถึงในภกชาติต่อต่อไปก็ผู้เหล่านี้ที่มากลายเป็นบารมีถือเก็บสะสมไว้ในจิตสัญญาเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณของกุศลสูงขึ้นปริมาณของอกุศลก็ลดลงแล้วคนบางคนนั้นจะทำโดย ไม่ค่อยคำ น, นึงถึงความชิดเปลืองเนี่ยแต่ว่าเป็นสุขที่ได้ทำเป็นสุขที่ได้บริจาคเป็นสุขที่ได้ให้มีนคนบางคนก็าา น, น้่งทำทานเนี่ยเราดูแล้วว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เลยเกินแล้วก็สอบถามว่าโยมทาอย่างนี้ไม่กลัวลาบากเลย แกบอกไม่ต้องกลัวหรอกท่านก็เราให้ไปแล้วมันกลับคืนมาเองนั้นเกิดเป็นพลังความเชื่อขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็คนที่ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆการให้คือการได้การให้กิจการไ ด, นะรรได้แล้วก็สิ่งที่เราให้กับสิ่งที่เราได้นั้นจะต่างกันเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราให้นั้นชื่อว่าให้ดีแล้วหมายความว่าเป็นสมบัติแท้ๆของเรา แต่วัตสิ่งที่เราให้ไปนั้นที่จริงมันเป็นสมบัติของโลกโดยว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างนี้คือวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอภรรยาข้าวปลาอาหารต่างๆที่เราให้เขาเนี่ยมันที่จริงมันเป็นสมบัติของโลกโดยจะตายจากเขาไปวันใดเรายังไม่รู้เลยแต่คุณภาพฝังกิตวิญญาณที่เกิดขึ้นจากกุศลแลเจตนาแล้วก็ให้ออกไปเนี่ยมันเป็นสมบัติติดใจมันเป็นบา ร, รมีธรรมที่จะเพิ่มพูนความดี ให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปในจิตใจของเราตอนพวกนี้มันก็กลายเป็นบารมีที่มีหน้านะที่ขัดเกลากัดเกลาทั้งโลภะกัดเกลาทั้งโทสะกัดเกลาทั้งโมหะให้ลดน้อยลงไปโดยลําดับพตอนพอบารมีสูงขึ้นมันก็กลายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของเรา ที่จะคุครองป้องการรักษาคุณภาพจิตของเราไม่อ่อนแอไปกับแรงตักดันของกิเลสทั้งหลายนะก็เรียกว่าโกรรน้อยลงโลคน้อยลงหลงน้อยล ง, ยลงก็หมายความว่ามีความเมตตากรุณาสูงขึ้นนั่นเองต้องฟังทั้งหลายตาเมื่องุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความปเป็นเลยงอ ง, งงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเชอญ